เท น, นาแผ่นที่76ลำดับที่26โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงคําในวันที่24สิงหาคม2558มีชื่อเรื่องว่าวิชาเรียนแล้วจบ วันนี้เป็นวันที่24สิง ห, สงหาคมพุทธศักราช2558เมื่อวานคณะอำเภอบ้านผือเจ้าคณะอำเภอพานำทีมเข้ามามีพระผู้ใหญ่ก็คือท่าน ล, ลพบุญพ่อบุญเหลือลุงพ่อมหาเสริมวัดผูหินดัง พระเตระผู้ใหญ่แล้วก็จากนั้นก็มีพระสาขาและเขตอำเภอบ้านผือพี่น้องประชาชนเมื่อวานนล้นหลามดูแล้วก็เกือบจะว่างานกระถินทีเดียวแหะคนเยอะมากๆคือรวมกลุ่มกันอำเภอบ้านผือรวมกลุ่มกัน แล้วก็ไปคาระกูบาอาจารย์แต่เมื่อวานหลวงพ่อก็ไม่ได้ถามว่าไปวัดไหนบ้างแต่คิดว่าเป็นวัดเราเกือบจะวัดสุดท้ายแล้ววัดออกจากวัดเราก็ได้ยินว่าคงจะไปทอดผ้าป่าอีกวัดหนึ่งแล้วก็คงจะแยกย้ายกันแต่มาที่วัดเราเมื่อวานเนี่ยรู้สึกว่ามากพี่น้องประชาชนกอ้คว่าปีหนึ่ง ก็มีการพระสงฆ์เป็นผู้นําไปคาระวะครูบาอาจารย์ตามวัดต่างๆไปมุดน้ํารําหัวตามประเพณีของพระกรรมฐานอันนี้ก็เป็นประเพณีหนึ่งเป็นการทัศนศึกษาการไปก็เป็นการดูว่าวัดแต่ละวัดเป็นยังไงสารถุสุกดิบเป็นยังไงจะได้มาเปรียบเทียบ กับการเป็นอยู่แต่ละวัดของตนเองอ น, นี่ก็เป็นดีไหมก็ดีถ้าไปเพื่อการเรียนรู้ไปเพื่อการศึกษานะถ้าไปโตโตเตะก็อย่างว่านะไปที่ไหนก็อย่างเก่าโกล น, ะ น, นเก่านะอย่างตรงพ่อเคยเ พ, พูดนะไปที่ไหนก็เหมือนเก่าไปที่ไหนก็เหมือนเก่านะพอปันเก่าอิตาเลาไปไทยกลับไปบ้านหัวล้านคือเก่า พกคนคนเก่าไปไม่คิดไม่อ่านนะแล้วก็วันที่ย7สบเจ็ดแต่หลวงพว่อยังไม่ได้ถามผู้ประสานงานนะหลวงพ่อให้ท่านพระประสานไปว่าถ้าเป็นนันพวกเราจะไปการาบคารวะหลวงปูล่ลีกุสระทะโรวัดปู่ผ้าแดงวันที่ยี่สบเจ็ดแล้วก็คลืนไปกราบหลวงปู่เพ่งวัดธรรมกองเพน ประกับปัะเจดีของหลวงปู่ขาวจากนั้นก็คงจะแยกย้ายกันกลับลเราคงถ้าเป็นไปได้เราก็คิดว่านําจตปัจจัยของคณะัาตาญาติโยมพี่น้องประชาชนไปร่วมสมทบสร้างเจดีย์ของหลวงปู่ลีที่ผาแดงด้วยเพราะทุกปีเราที่ผ่านมาแล้วก็ปีหนึ่งปีละครั้งสองครั้งเป็ปีนี้รู้สึกว่า เราก็ได้ใช้จิตุปัจจัยมากพอสมควรให้กับวัดต่างๆติฟัดสาขามีวัดของทันรัตนวัดทันเจยวัดทันเรืองวัดทันทวีศีห้วัดเนี่ยเรา ก, ก็จุกเหมือนกัน <c oughs> หมดไปหลายล้านส่งเสริมวัดนะแต่ตรงปูรีเนี่ยก็เราก็คงไม่เสร็จง่าย เราก็พยายามทยอยนำถวายท่านเพราะถือว่าท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่เป็นเป็นพี่ใหญ่ของเราของวัดของเราเราก็ควรจะช่วยตามกำลังความที่มันเกิดขึ้นแต่ท่านก็ไม่หนักหนาเราดูดูแล้วท่านก็ไปเรื่อยๆของท่านเพราะมีผู้สนับสนุนก็มากอยู่ เพราะท่านบุญปรมีบุญหนักสักใหญ่หลวงปู่ลีของพวกเรานะแต่ถึงยังไงคนอื่นทําก็เป็นบุญของคนอื่นเขาถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะมีส่วนร่วมในการสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์สร้างเจดีย์ขององค์หลวงตาจากนั้นเราก็คงจะขึ้นไปกราบคารวะหลวงปู่เพงวัดธรรมของเพลนะ จากนั้นก็ขึ้นไปกาบเจดีหลวงปู่ขาวจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับวันที่27นะถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นถ้าค่อยคอยฟังวันนี้ก็เป็นวันที่24แล้วเนี่ยอันนี้ก็คือการไปกลับไปไหว้ตามประเพณีของพระกรรมฐานแต่ส่วนพระในวัดของเราก็คิดว่าคงจะกําหนดวันอีกสักวันหนึ่งคงจะ เอารถบัดใหญ่ที่เคยไปทุกครั้งนั่นน่ะคงจะไปกราบเจ้าคณะอำเภออำเภอนามโสมหลวงพ่อบุญมีแล้วก็หลวงพ่อสดหลวงพ่อชาลีสามองค์เพื่อจะได้ให้พระของเราไปเรียนรู้เพื่อการศึกษาบวชเข้ามาแล้วก็ควรจะเข้าไปกราบทำวัดคารวะมุต น้ำรำหัวพระผู้ใหญ่เก่าอย่างไรทาอย่างไรทําพิธีกรรมอย่างไรเราก็จะได้เรียนรู้ต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่เรือว่าเป็นฆราวาสญาติโยมเราก็จะได้รู้จักว่าวิธีการฆราวะครูบาอาจารย์ฝ่ายกรรมฐานฝ่ายวัดปา่า เ, เขาทำกันอย่างไรนี่แหละ เรียนวิชา ม, มันจกไม่เป็นหรอกเหมือนกับท่านสุซีมะท่านสุซีมะเป็นลูกพระโพธิสัตว์ที่เมืองตะกัศิลาผู้พ่ออยู่ที่เมืองตะกัศิลาอยากจะเรียนวิชาวิชาจากอาจารย์ผู้พออ่อวิชานี่วิชาลูกต้องการจะเรียนเนี่ย แต่พ่อมองเห็นแต่เพื่อนของพ่อเน่ยแต่เขามาเรียนดูด้วยกันที่เมืองตากศิลาแต่เขาเป็นผู้ชํานาญเป็นคุกเก่งมากเพื่อนของพ่อท่านเนี่ยเป็นที่ยอมรับของทุกคนแต่เดี๋ยวนี้เขาอยู่ที่เมืองกรุงพาราณสีเพราะฉะนั้นถ้าลูกอยากจะเรียนวิชานี้่ะให้ไปเรียนกับพ่อเซี่ยวพ่อเสี่ยว ค, ยครัยบอกท่านครับ พ่อของท่านเนี่ยเป็นเพื่อนกันเพื่อนรักกันให้ไปเรียนที่เมืองพราราณสีนะลูกนะไปเรียนกับพ่อพ่อเลี้ยงพ่อเสียวเป็นเพื่อนของพ่อครับลูกชายก็เป็นคนนิสัยดีรักพ่อพ่อก็รักมากเป็นคนนิสัยดีมากสุชีมากนะกุ ม, มาร น, นะก็เลยลาพ่อ พอมากับมาตพอถามหาอย่างที่พ่อบอกให้ถามหานั่นนะบอกว่าเจอจริง ๆ, จงจง ๆ, จงๆเจอเขาไปรายงานตัวบว่านี่ผมมาพ่อของผมอยู่ที่เมืองตะกศิลาชื่ออย่างนี้พ่อส่งมาอยากจะให้มาเรียนกับอาจารย์เที่ยวว่าเป็นเพื่อน ก, น, กนกันกับพ่อใช่เป็นเพื่อนกันกบพ่อของเธอนี่แหละเอารับรับรับอนะ ก็รับก็ไปเรียนนะจะเนยเรียนเรียนเรียนเรียนไม่รู้จักจบเรียนเท่าไรก็ไม่รู้จักจบแล้ไม่รู้อันอันไหนคือจบวิชาเรียนวิชานี่ยังวิชานั้นยังวิชานะยังวิชานี้นวน่วิชามันอยู่ในโลกล ม, มันมันมีมีมากหลากหลายทีเดียวจ๊นะเนี่ก็เลยวันหนึ่งก็เลยเข้าไปหา เขาไปหาคุณพ่อใครว่าเป็นอาจารย์คุณพ่อครับวิ ช, ชาเนี่ยเมื่อไหรมันจะจบที่ผมเรียนมันมันหลุจบไม่เป็นนารู้สึกวมันไปหน้าเรื่อยมันถามมองห า, หาจุดจบของวิ ช, ชาหน่เงื่อนของวิ ช, ชาที่มันจบมันจะจบที่ตรงไหนครับพ่อทังพ่อโอ้ พ่อเรียนวิชามาเนี่ยอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วเดียเ๋ยวนี้มองหามุมที่จะจบยังไม่มีมองหามองหามุมที่จะจบไม่มีวิชาในโลกเนี่ยแต่ว่าพ่อเห็นลือสีอยู่กลุ่มหนึ่งอยู่ในป่าหิมาภานจากนี้ไปไกลพอสมควร <c oughs> เห็นลือสีกลุ่มนี้แหละที่ เรียนวิชารู้จักจุดจบของวิชาวิชาทุกะแนนเะน่ท่านรู้ว่าจุดจบมันอยู่ตรงไหนในวิชาที่เรียนในโลกเนะ่แต่มองคนอื่นสาขาอื่นพ่อมองไม่เห็นเลยว่าเขาจะเรียนจบวิชาในโลกนี้ก็จะจบลงที่ตรงไหนแต่เห็นลือสีกลุ่มนี้หละที่ท่านสอนวิชาแปลว่ารวบลัด มีที่จบมีที่สิ้นไอ้ลูกไปศึกษาดูนะครับผมนะเพราะสุสีมะกุ ม, มารเนี่ยเป็นผู้ใยในการเรียนรู้ใยในการศึกษาอยู่แล้วนะก็ลาอาจารยนะ์ลาอาจารย์คือพ่อพ่อเลี้ยงเนเหมือนกับพ่อตนเองนะลาเป็นอาจารย์ก็ลาไปก็ไปก็ไปหากลุ่มพระพุทธเจ้ทาทเนี่ กลุ่มพระปโจเจกพุทธเจ้าคือภาคครองภาคกาสาวะปงศีสะปงผมอะปงผมอยู่ในป่าหิมพผ่านอยู่ตามลําพังเป็นกลุ่มหนึ่งแอบกลุ่มพระปโจเจกพุทธเจ้าได้สุสีมะเขาเข้าไปกราบพระเปโจรพระพุทธเจ้าที่เป็นประธานที่เป็นหัวหน้าพระคุณเจ้าครับผมอยากจะมาเรียนวิชาวิชาจากพระคุณท่าน ได้ยินทราบข่าวว่าพระคุณท่านเนี่ยวิชาที่เรียนใน ว, วิชาในโลกนี่เียนจบฟกวิชามีพวกท่านทั้งหลายเป็นผู้รู้ว่าวิชาในโลกนี้มีจุดจบอยู่ตรงตที่ตรงไหนพระเบเจบอกอูได้เรารู้เรารู้จุดจบของวิชามันมาจากไหนที่ตรงไหนแต่ว่าเราจะบอกให้ ส อ, สอนให้เธอนะไม่ได้แร้วเธอเป็นครวญถ้าเธออยากจะเรียนก็นะบวชอย่างที่เราเนี่ยนะอย่างที่เราบวชนี่นะถ้าเธอบวชอย่างที่เราบวชนี่นะอย่างอยู่ในฟอร์มอย่างนี้แหละเราจะสอนวิ ช, ว ช, ชานั้นให้ไอ้สุซีมา ก, กครับผมไอ้พ่อว่าเนี่ยก็กลับมาหาพ่อพ่อครับผมจะขอไปบวชเป็นพระปัจเจกครับ ผมขอเลือกเครื่องบริการนะพ่อเขาจัดให้ทันทีพอจัดบริการให้ก็ไปก็ไปบวชไปบวชกับพ่ะประเจกพุทธเจ้านะพรอพระเจคกคสอนวิ ช, ชาให้หลยท่านนะอ่ให้เรียนกรรมฐานเลยทนะ่านนี่เรียนเข้าไปกันเนะี่ยน่ะวิ ช, ชาทั้งหลายออกมาจากใจทั้งหมดใจคิดทกนมันยังออกมาเป็นวิ ช, ชาต่างๆจากนั้นวิ ช, ชาในโลกนะี่มันเป็นวิ ช, ชาต ะ, ตะคุบเงา เดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวก็เรื่องนี้เดี๋ยวก็เรื่องนั้นคนนั้นคิดขึ้นมาเรียนวิชาคนนั้นเรียนวิชาคนนี้พอได้สุดก็เลยเรียนวิชากันไม่รู้ว่าใครคิดขึ้นมาแต่ละขแขนงแต่ละวิชาเรียนไม่รู้จักจบเลยแต่นี่ยยุ่งเหยิงวุ่นวายอีหลงตงนางไปดเหมือนอกัแบบไหมมันยุ่งอยู่ในกระบุงนั่นนะกระบุงตะ ก, การ์นะอไม่รู้เงื่อนไหนตัวเงื่อนไหนมันหาเงื่อนไม่เจอเลยแตนี่เพราะมันเกี่ยวพันสัมพันธ์กันไปหมด อแต่พระประเจกพุทธเจ้าที่มันยุ่งเหยิงขนาดไหนก็เถอะมันออกมาจากใจทั้งหมดเพราะฉะนั้นอยากจะเรียนรู้วิชาต้องเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจอถ้าเรียนเรื่องของใจจบแล้วก็คือจบ <c oughs> พระประเจก็สอนกรรมฐานเสร็จแล้วก็ให้เรียนรู้ทางอริยสัจทุกสมัยมุทยทุกมันมาเกิดมาจากไหนอสูมุทยเหตุให้เกิดทุกมาจากไหน มักจะแก้ไขอย่างไรเมื่อแก้ไขแล้วนิโรธคือความดับทุกเกิดมาอย่างไรนี่พระพุเจกสอนไปในอริยสัจเลยเน ะ, อะมองเขาประหาใจทุกสิ่งทุ ก, ทกอย่างออกไปจากใจทั้งหมดทุกออกมาจากใจสมุทัยเหตุให้เกิดทุกการมัตตัณหาภวตัณหาวิภาวะตัณหามันออกมาจากใจพระพุทธเจดศรพ อ, อจากนั้นสุสีมะท่านศึกษาพอศึกษาท่านก็ได บรรลุพระปฏิเจกน์พรเจ้าออกเหมือนกันนะเพอท่านได้บรรลุพระปฏิเจกพุทธเจ้าท่านก็กลับมาโปรดโยมพ่อของท่านพ่อเสียวนะไม่ใช่มาพ่อหาพ่อนะมาหาพ่อพ่อก็เลยตั้งอาวาสให้สร้างมาพักอยู่อุทยานนะ เ, เป็นจากนั้นพอท่านก็เป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งหลายทั่วกรุง พาลานในสีเรววาเป็นคนดีคนหนึ่งแล้วก็มีคุณธรรมคนหนึ่งเป็นพระปฏกเจกพุทธเจ้านะจากนั้นท่านก็ไม่นานท่านก็ได้ละสังขารปรินิพานนี่แหละสรุปแล้วก็คือหลักวิชาในโลกนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะรู้ว่าวิชานี่มันมาจากไหนมันออกมาจากใจแต่ทุกวันนี้ก็ว่าออกมาจากสมองนะออกมาจากสมอง แต่ตามไม่จริงในหลักของพุทธศาสนาแล้วสมองเป็นเครื่องใช้เป็นเครื่องเป็นข้อเป็นเครื่องบันทึกบันทึกเรื่องราวต่างๆแต่คนที่มาใช้สมองนั่นคือคนคนที่มาเอาข้อมูลยัดเข้าไปในคอมพิวเตอร์ตรานั้นผม อ, อยู่ในสมองของเราสมองคือเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ใจเ็คือคนพอจังก็เอาข้อมูลเข้าไป ถ้าเอายื่นข้อมูลเข้าไปยื่นข้อมูลผิดมันก็ผิดเหมือนกันนะถ้ายื่นข้อมูลถูกก็ถูกถูกนะถ้ายื่นข้อมูลเข้าไปโลภก็ไปทางโลภถ้าไปทางโกรธไปทางหลงไปทางพยาบาทอาฆาตจองเวรเป็นไปได้ทั้งมันทั้งหมดมันดูออกมาจากใจใจของเราคนนั้นะตัวใจตัวนั้นะได้รับการศึกษาดีหรือไม่เป็นผู้มีเมตตาหรือไม่หรือไม่ ได้รับการศึกษามีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมดีหรือไม่ถ้าใจดวงนั้นมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมบันทึกก็ไปหาสมองสมองก็บันทึกไปในทางที่ดีที่ถูกต้องนะแต่ถ้าว่าใจขอ ง, ของเรานี่มีแต่โมโหโก้ทายมีแต่พยาบาทอาฆาตจองเวรมีแต่ความชั่วชา้าลามกจกเปรตทั้งหลายอยู่ในใจอยู่ในตัวคนคนนั้นะ เพอเอาเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ก็ บ, บันทึกออกมากันไม่รู้เรื่องอะไรต่อไม่อะไรเนะี่ยยุ่งเยหยิงวุ่นวายกันไปหมดอะ้วใช่ไหมีแต่ความช่วยช้าเสียหายเรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งหลายทั้งปวงมีแต่เรื่องช่วยช้าเร็วตามาสิ่งไม่เกิดไม่ควรจะเกิดก็เกิดสิ่งไม่ควรจะมีก็มีนะเพราะอะไรเพราะคนคนน่นนะเออเอาข้อมูลเข้าไปอยู่ในคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ตัวนั้นก็สั่งการออกมานะ เพราะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในหลักของพุทธศาสนาแล้วท่านบอกว่าข้อมูลทั้งหลายจุดจบของวิชาทั้งหลายคือถ้าเรียนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจใจจะมีจะเห็นที่จุดจบของวิชานะถ้าไปเรียนอยู่ข้างนอกไม่มีหรอกไม่มีที่สิ้นสุดตะคุบเงาไปเรื่อยวิชาในโลกนี้มีมากหลากหลายพวกเรา ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลายัยสิ่งที่ไม่เคยได้ยินก็ได้ยินวิ ช, ชานี่คือวิ ช, ชาอะไรมันซ้อนๆกันซ้อนกันแล้วซ้อนกันอีกแต่เมื่อใกล้ๆกันนั่นแหละแต่เขาเป็นวิ ช, ชาอหนึ่งเป็นป ร, ริญญาขแขนงหนึ่งขึ้นมาหลวงพ่ออายุถึงขนาดนี้แล้วหลวงพ่อก็ฟังไม่จบอยู่เหมือนกันไม่รู้ขแขนงไหนตกแข็งขแขนงไหนพอลูกหลานขึ้นมาลูกหลานเรียนวิ ช, ชา ในมหาวิทยาลัยแขนงไหนเขาพูดขึ้นมาหลวงพ่อก็งงเหมือนกันเอ๊ะวิชานี้ไม่เคยได้ยินว่ามันเป็นวิชาใหม่ครับหลวงพอ่อเออเอากว่ากันไปนะสรุปแล้วก็คือวิชาทั้งหลายทั้งปวงนะเนี่ยมันเป็นเรื่องวิชาคิดขึ้นมาคิดประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาแล้วก็ตั้งวิชาขึ้นมาแต่มันออกมาจากไหนออกมาจากใจของ professor ออกมาจากใจของด o c t ต่างต่างออกไปออกมาจากใจของ ผู้ค้นคิดขึ้นมาออกมาจากตัวผู้รู้คือใจทั้งหมดถ้าจะเรียนอยากจะเรียนให้จบนั่นคือเรียนเข้ามาหาใจของตนเองถ้าเรียนเข้ามาหาใจตนเองนั้เรื่องทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหะอยู่ที่นั่นปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งเรื่องทั้งหลายออกไปจากใจทั้งหมดปล่อยวางจุดนั้นแหละจบ การที่จะจบวิชาจบตรงนั้นนะคณะตถาญาติโยมลูกหลานที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนําไปคิดดูนะอย่าเพิ่งเชื่อนะหลวงพ่อพูดให้ฟังอย่าเพิ่งเชื่อแต่พระพุทธเจ้าพูดดูก่อนสารีบุตรที่เราตถาคตพูดไปเนี่ยตรัสไปเนี่ยเธอเชื่อไหมยังก่อนพระเจ้าค่ะเพราะข้าพระ อ, องค์ยังไม่ได้นําไปปฏิบัตินขนาดพระพุทธเจ้าพูดแต่แทบสารีบุตรก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้ หลวงพ่ออินพูดนะพวกเราจะเชื่อทั้งหมดมันก็ไม่นา่าจะใช่อีกเหมือนกันนะพวกลูกหลานนะเอาต่อไปรับพร